แต่ก่อนจะพูดถึงมิมานรออยู่แล้วในเรื่องเมมมากซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเอง <c oughs> ก็อย่าขอพูดเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก่อนพระอรหันต์จะเป็นได้ต้องตัดสัญญอสิบแายการให้ฟังให้ดีนะหนึ่งสกายาทิฏฐิสองวิจิปิขาสามธิดาปตะปรามาต สี่กรมฉันทะห้าปริฆะหกรูปราคะเจ็ดูรุราคะแปดวันณะเก้าอุตจะ1สิวิชาฟังแล้วไม่รู้เรื่องข อ, อย้อนต้นสังโยชส์ามเมืออต้นคืนหนึ่งส ก, กายติฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้จะต้องตาย เป็นอารมณ์ของประโสดาบันและสกิทาคา ม, มีและส ก, การยทิฏฐินี้ถ้ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราเป็นของ โ, โสโครสโกรกโกรกเสิดเสียเอียนไม่น่ารักไม่ติดใจในรูป ก, กายอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระนาคา ม, มีอารมณ์ของพระอรหันต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา มีจิตเป็นสัง ข, า, ข า, า, รงร า, ารุเปิดขายายาสุภติจานน้เบรมอหานในข้อดีสองวิจิกิจชาไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนัะถือด้ความจริงใจข้อดีสามศีลปตาปรมารมีศีลบริสุทธิ์ไม่บกคร่องถ้าตัดเดสามอย่างนี้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นสิกขาคามีก็ได้ ถ้าใส่ข้อที่สี่คือการไมฉันทะไม่มีความรู้สึกในกามารมณ์ข้อที่ห้าปฏิฆะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจอย่างนี้เป็นตัญญาคามีต่อไปก็ตัดอีกห้าคื อ, ร, อ, อรูปราคะไม่ติดใจในรูปวิชายคือไม่หลงไหลฝ่ฝันในรูปวิชานรูปราคะไม่หลงไหลในรูปวชามานะไม่มีการถือตัวถือตน ก็จะไม่มีรมณุ้งซานจิตตรงพระนิพพานไม่วิชาตัดความงู้ทั้งหมดอย่างนี้เป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์นี้ก็ยังแบ่งออกไปสีส่สี่สี่ไดปสี่หมดวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปัสสโกสุขวิปัสสโกนี้จเจริญกรรมฐานวิสมาธิเบีองตนเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จเจริญวิปัสนาอย่างครบ สมถะภาวนาไม่ใช่สมถะเฉยๆต้องเป็นสมาสมาตาด้วย แ, ล, แล้วไม่ไม่ใช่พัฒนาล้นๆตามที่เข้าใจกันพัฒน า, าล้นน่ะทำไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิสมาธิคือสมถะเป็นพื้นฐานแล้วมีปฏิปัฏนาใหญ่ครบเพียงกระทั่งตัดกิเลสไปสมุทเธตุตระหรันอย่างนี้เรียกว่าอารหันสุ ข, ขภาพวิปัสสนา อาหัรที่สองนิวตีวิโช ค, คือมีวิชาสามก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าตอนชานโลกีก็หนึ่งได้ทิพยุกุียานสา ม, มารถเห็นเพีน้องเห็นสวรรค์เห็นอะไรเห็นจิตใจคนได้หมดแล้าสอง ป, กปุกเพรนิวาสานุติยานระลึกชาติได้แล้วต่อไปทากิเลสให้สิ้นไปอย่างนี้เป็อรหันวิชาสาม ก็หมดที่สามก็เป็นอภิญญา6กวาด้านอภิญญา ห, ญญาหขณะที่ได้ฌานโลจีต้องได้ฤทธ์มีมีอภิญญาคือแสดงฤทธิ์หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้พอเอื้อนอากาศได้ทั้ไงไันก็ได้ตามชอบใจในอิทธิอิทธิวิธิแสดงแสดงฤทธิ์ได้สองสิบโสโธตยิยานหะนังสือนี่เขียนว่าสิบโสโธเฉยไม่ถก ต้องเป็นทิพย์โสตยานทิพย์โสตโสดคืเนเลือดนี่มันเป็นทิพย์ไม่ได้อาตมาไม่ได้ค้านหนังสือหนังสือเขียนผิดก็ต้องค้านความเป็นจริงตามความเป็นจริงต้องเขียนว่าทิพย์โสตยานมีความรู้ทางหูม ไ, มงหหไม่ที่เรียกแต่โหูทิพย์หรือูที่ไม่ทิพย์หูมันมีแต่เศร้าลงไปหูคนมันมีแต่แก่ลงแก่ลงประสาทเสื่อมลงเสื่อมลง แต่ว่ายานเป็นเรื่องรู้ทางหูรู้ได้ไกลแสงไกลเสียงเทวดาเสียงผีเสียงพรหมเสียงนิพพาส น, น, น, นสินนรกถเสียงเปพสศรีกายรู้ได้หมดคนจะพูดไกลแสงไกลขนาดไหนก็ตามต้องการจะทราบทราบได้นียานกับความวปิพย์ของหูจะธรรมดาต่างกันถ้าความวปิพย์ของหูธรรมดาเราต้องฟังแตเพราะเวลาที่เขาพูดถ้ายานนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เขาพูดว้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่แสนกลับก็ตามต้อต้องการจะได้ยินได้ยินได้ทันทีเสียงจะขังอยู่ยานจะถอยหลังเขาไม่รู้ก็เร็วลงว่าเป็นยา6หกมีมีหกอย่างคือหนึ่งอิทธิฤทธิแสดงิได้สองทิปโสติยานมียานทางหูคล้ายหูจิบแล้วก็สามเกตุรียานรู้จิตใจคนอื่น ก็สี่ปุเพนิวาสามปียันรือชาติได้ห้าทิุยานตา 5, ยานหน้ า, าทิุญานเราซือเขีวตาธิพย์แล้วไม่เช่ตาทิปมี จ, จิตใจเป็นทิพใคล้าตาธิพรู้ได้คล้ายตาทิพย์แต่ตอนทั้งห้าอย่างนี้ต้องทําได้เมื่อชันโลกีแล้วก็ต่อไปเมื่อทังกิเลสหมดสรรมอาสงฆ์ญาณใ้เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอรหันต์ครบประการ ตอ น, นี้อรหันต์หมวดที่สี่อรหันต์หมวดที่สี่นี่เขาเรียกว่าปริเสมิธายานปริเสมิธายานนี้ไม่เกี่ยวกับปริคือไม่เกี่ยวกับปริทั้งหมดมีความสลาดความจะหลายข้อดินเนียงคืออัถาอัฐาปริเสมิธาปัญญาแตกฉานในคือคําจจะอัฐาที่ใบเรียกว่าข้อทำใดๆที่ ที่สันส้นๆสามารถอธิบายให้กว้างขวาขได้และก็ถูกต้องสองธรรมะไปธรรมะไปสมิธาข้อความใดๆที่ยาวก็สามารถจะย่อให้สั้นได้ความชัดนิรุตินิรุติไปสมิธาฉลาดในภาษาก็ลงความว่าฉลาดในภาษาจะรู้ภาษาทุกภาษาแล้วมัง้งอาจจะมาเขอทิ้งแม้ตัวแทนนี้นะ แล้วสี่ปฏิภาณะปีชิติธามีความฉลาดในปฏิภาณ์คือการพูดพูดฉลาดมากก็รวมความอรหันต์จริงๆมีสี่หมวดหนึ่งสุขะเ ว, วสโกสองเตวิโ ช, ชโสันฉลับจิโยสี่ปิชิพิธาตุปฐมก็รวมความว่าสำหรับสุขวเรโกโนะท่านไม่มีกรณีพิเศษไม่มียานพิเศ ษ, ษ แต่ความไปจริงแล้วเขาต้องการาแค่การสกิเลถ้าจะถามว่าอารหันสุขาเบสโกต้องการจะศึกษาวิชาสามใปัญญาหกจะได้ไหมก็ขอตอบว่าถ้าท่านศึกษาจริงๆมันต้องได้เพราะความเป็นอรหันจิตใจบริสุทธิ์เป็นของยากทํายากทําได้แล้วสุญญาณต่างๆในวิชาสามในญญาหกเป็นของง่ายกว่าถ้าจะถามว่าแล้วทาไมไม่ทํากัน ก็ขอตอบว่าคนทุกคนทำงานเพื่อต้องการความร่ำรวยตอนนี้เนมะื่อรวยเต็มที่แล้วเคยทำไร่ไถนามาก่อนขุดดินกินทรายเมื่อก่อนต่อมาก็ฐานะดีขึ้นเราทำการค้าขายบา้างมีนาให้เชาวบ้ า, บางในที่สุดเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตั้งธนาคาร <c oughs> เมื่อตั้งธนายคาเน่แล้วเงินมามีเป็นแสนล้านแล้วใครจะกลับไปทํานาอีกจะฟันดินอีกการไปศึกษาสองวิชาสามห้าห้าในปัญญาหกเหมือนก็กลับไปฟันดินอีกไม่มีใครเขาทากันเรื่องความว่าคนต้องการความร่รํารวยไม่ต้องการอยู่ในฐานะกรรมกรที่ยากไร้ชั้นใดเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่กลับไปฟืขุดดินทําไร่ถ้าจะทําทไร่กุดย่างเขาทําไม่ทาเอง โรงกว่าว่าพระหลังก็เช่นเดียวกันการศึกษาสองในวิชาสามก็ดีห้าในัญญาหกก็ดีเขาต้องการเพื่อเป็นกำลังช่วในการตักกีเลงเพื่อเป็นสมุทรเศรษฐกิจอันนี้มีเรื่องหนึ่งสําหรับคำว่าไปสมิทายานอาจจะมาเองก็อึดอัดตั้งใจมานานแล้วเรื่องไปสมิทายานขณะที่เรียนพระบาลีอยู่หรือเรียนนรครั้ก็ตาม อและบางท่านฟังเทศจบเดี่ยวไปหลันท้อมปริสมิธายานบางท่านไม่คันยยโกนหัวไปหรันท้อมปริสมิธายานบางท่านบวชสองสามวันไปหลันท้อมปริชมิทายานแต่คําว่าไปรชมิธายานท่านลงท้ายว่าทรงพระไตรปิฎกก็เลยอุตส่าห์คิดว่าเราเรียนเกือบตายใช้เวลาตั้งสิบปีกว่ายังไม่สามารถทรงพระไตรปิฎกได้ แ้าทำไมคนที่ไม่เคยเรียนเลยทำไมจะส่งได้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็เลยคิดอัดตันใจอยู่นานตอนในที่สุดก็มาทราบภายหลังว่าพระที่เป็นไปสิมิทายานแล้วเข้าใจในพระไตรปิฎกริงคือสิ่งใดที่ยังไม่เรียนก็เข้าใจที่เรียนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระหันที่มีปัญญาสูง มีความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกพูดถึงอะไรท่านจับเพียงแค่จดหมายปายทางสิ่งที่มีความสำคัญไม่ได้อ่านถึงตัวไม่มีความ <c oughs> วําเร็นเพื่อจะมาขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ <c oughs> ก็ไปถามสุนเด็จศุตโธหัตถาจาร่านุท่านแตกฉายความรู้หลายอย่างถามได้ว่าการทรงพระไตรปิฎกทำอย่างไงท่านถามว่าเธอเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือ ก็กราบเรียนที่ว่าเคยอ่านมาสามปีถือว่าปีละจบท่านก็ถามใหม่ว่าเธอกลับไปดูใหม่ว่าพระไตรปิฎกหน้าไหนไม่ผุดทั้งขันห้าตรงความแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศทั้งหมดเทศทั้งขันห้าเรื่องเดียวก็เปลี่ยนสํานวนไปพอท่านพูดตรงนี้ก็เข้าใจกราบท่านว่าอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วครับ ไอ้คำว่าเข้าใจในที่นี้ไม่ใช่หมายความเป็นไปชิงวิทายานไปด้วยเือจะเรียงว่าอ่านหนังสือมาแล้วไม่เข้าใจในหนังสีพูดที่เลเซปมาก็สีเวลาไปสิบนาทีกว่าตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องการทาบุญคนทาบุญบรรดาท่านพุทธไวสัตว์ท่าเจ้าทรงยินยันว่าเมื่อจิตใจตั้งทาบุญเสร็จทาบุญแน่นอนแล้ว สมเด็จพระบพเจ้าทรงยืนยันว่านิวิมานคอยอยู่แล้วคือเจ้าของนี่ยังไม่ตายแต่วิมานปรากฏอยู่ก่อนเรื่องราวก็ ม, มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสินยวรประมศาศาัณฑาชนดาสมมาสมาุทัเจ้ายังทรงไปชนอยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีท่านมานุษ์ท่านหนึ่งคือนันทิยะมานุษ์ เป็นคนเคารพในพุทธศาสนาปกครองทรัพย์สินมากมายหรือเป็นเศรษฐีมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระมหามุนีสร้างสัลาสีหน้าถวายพระพุทธเจ้าคือถวายเป็นของสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหลังจากนั้นแล้วตอนกลางคืนสาอักสาวะก็องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามาคือพระโมคคัลลา พระองนี้มีความสําคัญมากแต่เรว่าวันนี้ทั้งหมดบันดาแทนพระตัวสัตว์พูดเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่มีนิทานและก็ไม่มีนิมิตนิทานก็ดีนิมิตก็ดีก็บรรดาแทนพระตัทสัตว์อย่าถือว่าจริงเกินไปเอาเหตุเอาผลไปสําคัญแต่ว่าในเรื่องนั้นๆให้ถือธรรมะไปเรื่องสำคัญธรรมะในะจริงแน่ มาตอนนี้ปรากฏว่าพระมกขลลาพระมกขลลานี้ท่านเป็นพระพิเศษแต่พระที่ท่องเที่ยวในสวันนี้นพมลโลกในโรกแดนเป็นศัลกายนัเขามีเยอะไม่ใช่พีพระโมกขลลาองค์เดียวแต่ว่าแต่และท่านต่างคนต่างไปต่างคนต่างรู้ไปเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็มาแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยความจริงใจ ว่าคนนั้นตายไปเกิดที่ไหนคนนี้ตายไปเกิดที่นี่ใครเป็นญาติยานาดิการิเกกันบ้างเขาสั่งมาว่ายังไงท่านแนะนําตามนั้นเวลานั้นพระเจ้าไปองค์ยืนยันแต่วันแล้วพระโอปปามุขละลานั้นไปแล้วไม่อยู่เกล่าวไปหามาทั่วพบทุนแล้วก็กลับมาถามโอสสมงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเหตุที่พบมาเนเป็นความจริงหรือไม่คงสมเด็จพระจอมใจเขาทรงยืนยันรับตอนนี้มาวันนั้นคือวันนั้นที่นันทิยะมานกท่านถวายขนลาสีหน้าเสร็ จ, จกลางคืนพระบุคคลลาก็เจริญกรรมฐ า, านตามปกติพระาราหันพระรหันนี้เวลาเจริญกรรมฐ า, านบรรดาแทนพุทธวิษัทจะไปดูเวลานั่งขาสมาธินี่มันไม่ได้ ท่านไม่ถือการขัดสมาธิเป็นเรื่องสําคัญนั่งขัดมาธิมือซ้อนกันนี่นะเพราะว่าเป็นพระที่จบแล้วท่านใช้อารมณ์ได้แต่ทุกขณะขนักคุยกันนี่ท่านก็ใช้ได้อย่าลืมว่าอารหันต์ใช้สุธานจะมาบอกรความไปที่ไม่จากัดเวลาเจะพูดจะคุยจะทํางานทำการอนุญาจะรู้อะไรก็รู้ได้เห็นอะไรปุบ๊บปั๊บมีความรู้สึก แต่ว่าพระอรหันต์เป็นพระเกตุไม่แสดงออกไม่ชูงวงอย่างที่พระวจจะชนจัดว่าเธอทั้งหลายจงยาชูงวงเข้าไปสู่แตกรนั่นหมายความแสดงตนโอ้อวยว่ฉันเป็นพระอรหันต์บ้างฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้บ้างฉันไปเรียนฉันนั้นฉันนี้ฉันเป็นเด็กวึกฉันเป็นพระครูฉันเป็นพระเจ้าโคนาดูนี้ จริงๆแล้วพระสมัยนี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครก็ชูงวงกันแต่พวกชูงวงคนจะมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาธรรมดาสิ่งใดที่พระเจ้าห้ามสิ่งนั้นก็ย่องจะมีท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงอย่าชูงวงเข้าไปสูต่ตระกูลคือบริการตนว่าฉันเป็นันนั้นฉันเป็นคน น, น, น, น, นนี้เพื่อความเรื่อมใสของบอคุคคลที่บริการหนึ่งท่านบอกว่าจงทําตนเหมือนโมคคา บกคลาทําตูนเหมือนมันแหลงพู่ก็ไปเชยน้ําหวานจากกินแมจากเกสรนคนตอกไม้แต่ได้กินน้ําหวานและดอกไม้เขาไม่ช้าฉันใดมันดาบิสุสนั้นไหลในพุทธศาสนาเวลาก็าาาไปสูชาคนยงอยาทําให้มันดาหญา้โยงพุทธวัตรสวัสด์เช่าช้าในความเป็นอยู่และจิตใจก็รู้รความว่าวันนั้นพระบุคลาขึ้นไปบนสวรรค์ ก็ไปเจออวิมานที่เคยพบววันแล้วทุกๆวันแต่ปรากฏว่าเขาเลี้ยวเข้ามามุมหนึ่งเขาสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลกก็แปลมีความแปลกใจวิมานใหม่มันเกิดขึ้นวิมานนี้เป็นวิมานสี่มุกมียอดใหญ่ใตการตาโวยสดุดงามมากแลกลาปลว่าเป็นระยะ ท่านจึงหันไปถามเทพประดุษที่อยู่ใกล้ถามว่าวิมานนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านเทพประุษตรงนั้นจ่านกตอบว่าวิมานนี้เป็นวิมานข้นานันทิยะมานุเมื่อกลางวันวานที่แล้วมาปรากฏว่านันทิยะมานุปเขาถวายวิมานเขาวถวายวิหารลาสีมุกในพุทธศาสนาะมีพระเจ้าเป็นประธานเพราะถวายเศรษฐีมานก็ปรากฏก่อน อากสาววคคองสมเด็จพระจินยวรนั้นบอกถามว่าเป็นอย่างนี้ก็กลายท่านมาท่านเทวดาวนั้นเธอ บ, บอกว่าเทพบุตรนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้ถูกรายคนที่ทำบุญเสร็จมีวิมานทันทีทันใดว่าพูดมาถึงตอนนี้บรรดาท่านผู้บริษัทธ์้นนึกถึงว่า คนที่ถวายสังฆทานนี้ความจริงถวายสังฆทานก็พร้อมด้วยิหารทานคือปัจปจัยที่นำมาถวายก็เป็นสังฆทานด้วยไปวิหารทานด้วยจึงมีประมาณแปลกดก่อนทุกคนอาเกศสาวกะองค์สมเด็จพระธิรพงษ์ก็มองดูไปที่บุญมารเห็นนางฟ้าเต็มไปหมดเป็นพันคน เวลานั้นบรรดา น, นางฟ้าทั้งหลายก็กลงมาจากวิมานมากราบภักษราวาพระองสมเด็จพระทศกุลแล้เธอทั้งหมดก็กล่าวว่าพันตีพระคุณจเจ้าพูะเจริญพระเจ้ า, า่ะพโกฉันเป็นนางฟ้ามาอยู่ที่วิมานนี้หวังจะบำุงบำเบลเทพประดุืบบนันทิยะมานองให้มีความสุข เมื่อมาถึงแล้วก็ปรากฏอยู่เปล่าว่างๆใจเวงหวังเพราะไม่มีไม่มีเทพประภุตที่จะบำรุงบริเวรฉะนั้นเจืคุณเจ้ากลับลงไปเมืองมนุษย์ได้โปรดบอกมณิยะมานพด้วยว่าเวลานี้วิมานใหญ่โตวสวยงามที่สุดปรากฏแล้ในดาวดึงสตวโลกเป็นที่อยู่ของท่าน แล้วก็มีนางฟ้านับ ฟ, ฟันพันคอลบงและความบ่งบำเลอยู่ขอยนันทิยะเทพคอยนันทิยะมานพละจาแต่ภาพจากความเป็นคนคือรีบตายแล้วมาเกิดบสวรรค์ชั้นนี้ดีกว่า เ, เปรียบเทียบว่าอยู่เมืองมนุษย์ก็เหมือนกัใช้ถาดปินเหนียวไป อ, อยู่เบนสวรรค์ก็เหมือก น, มนกัใช้ถานทองคำพอเวลาเสร็จพาได้ออกิดได้คนพระโมกข์ล า, า, ก, คค า, ก, ลาก็กลับ ตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบพระโอกรลาก็ฟังด้วยความจริงพระอรหันต์ก็ฟังเทศจะนึเว่าเวลานั้นไม่ฟังนะทุกองค์ยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมและประธรรมนี้พระเจ้าทรงเทศอาจจะมีแปลกๆนิดๆหน่อยๆไปเป็นความรู้ใหม่เ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศจบพระโอกรลากก็ทูลถาม ว่าคนที่ทําบุญแล้วจะยังไม่ตายรายกวิามายเกิดค่อยและมีความเป็นความจริงไปไ ป, รไประการใดเป็เจ้าค่ะที่พระโมกคัลาถามอย่างนี้บรรดาท่าพษษษุทธวิสัชนไม่ใช่พระโมคคลลาอดดีพระโมกคลาโอดเดินพระโมคคลลาจะอดใครเป็นความดีที่พระโมคคลาทําอย่างนั้นเพป็กาาอาการตัดอารมณ์ของตัวว่กาการเห็นแบบนั้นเป็นปาทานหรือเปล่า <c oughs> คำโอภาทานมีนการนึก้นเองแตไม่แน่นักคำโอภาทานอตมาก็เคยเกิดเคยพบวันนั้นวันหนึ่งมรมรมัวไปนิดหนึ่งก็ปลายกรกรจ่าเจ้าเฝ้าหัวใจเจ้าขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากเ ป, ปล่งปั่งและสมีเหมือนปกติเหมือนทุกอย่างกราบท่านแล้วถามปัญหาบางอย่างปลายโกคำตอบผิด อาตมาถามมาถามเรื um galaxies, player, ่องเหตุจริงที่เกิดขรื่องหน้าระยะสั้นๆคือถามหนึ่งชั่วโมงต้องการผลก็ต้องการผลในหนึ่งชั่วโมงผลที่เกิดมาผิดก็แปลกใจว่าทุกครั้งที่เราฟังมาไม่เคยผิดวันต่อมาทิงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิทธรรใหม่เขาได้ทำใจสะอาดจริงๆไม่พุ่นพันฟันเล่นไม่นึกถึงเรื่องราวที่คิดไปก่อนก็พบองค์สมเด็จพระจินวรถามท่าน ท่านก็บอกดูซ้ายมือเดียวพอดู้ดายมือเห็นไปรูปพระเจ้าแต่มีเขี้ยวท่านบอกว่ามานเข้าขวางทางของเธอก่อนที่เธอจะมาเธอจงอย่าคิดอะไรก่อนจงทำเหมือนทุกครั้งที่เดิมาเมื่อวานนี้เธอคิดอะไรสช่ ก, ก่อนแนละ้วขึ้นมาอารมณ์นั้นยังค้างอยู่เขาเรียกอุปาทานเป็นน้ำว่าเขาบอกกันลาท่านตัดอุปาทานอย่างนี้เพื่อความมั่นใจ องค์สมเด็จพระจอมใจทรงประดับแล้วองค์สมเด็จพระบัณิตเจ้าก็ส่งสัตว่าโ ม, ค, ามาคันลาเมื่อคืนนี้เธอไปเห็นมาเองแล้วใช่ไหมพระมคันลาก็มีความมั่นใจนี่ระบรรดาท่านพุทธมรัทการทําบุญนวีมานเขาคอยอยู่แล้วทุกคนให้มั่นใจในความดีของตนอย่ามีครั้งหนึ่งตามที่กล่าวมาว่าครั้งหนึ่งที่อาตมานิมิตคือว่าไม่ใช่นิมิตจิตมันวุบว่าไปมันตายอ่ะ พูดง่ายๆแต่ใครก็เห็นเวลานั้นก็เป็นความตายแต่มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะักจากเวลาสี่ถุ 3, ถ่มตั้งสองสามทุ่มเสร็จเร็จก็ไปถึงตีสองกลับมาตอนนั้นอีดีบอกว่าไปนั่งอยู่นั้นด้า น, นกำแพงด้านหนึ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วงเข้าไปข้างในสสอาดสวยงามมากแพร่พรายเปนยับสวงมากอาารบอกว่ามีิมานเจ็ดแสนหลัง คอยพกเธออยู่ภายในเธอมีสิทธิเดียวกัเข้าไม่ได้คอยก่อนอันนี้ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่จะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้บรรดาท่านบริษัท ต, ตอนนี้เป็นนิมิตนะขอบรรดาท่านรู้ใช้กําลังใจของท่านพิจารณาดูก็แล้วกันจะ ต, ต่อไปวันหนึ่งเข้าไป ท, ทุทวนใหม่ถามวิาวานชุดนั้นตั้งที่ไหนกันแน่ วันนั้นเข้าได้เข้าแล้วไม่อยู่ได้เพราะวันวันที่ผ่านมาแล้วที่พูดเข้าไปจะอยู่เลยคือไปแล้วจะอยู่เลยไม่กลับท่านจึงเลยจึงห้ามเข้าเขตแต่เวลาวันมาวันต่อมาไม่เอาละจะไปแค่ดูเฉยๆท่านก็บอกว่าจากจุดนี้ที่เธอนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือแล้วอยู่ทางซ้ายมือที่มานเก็บใช้มานตั้งเรียงรายเป็นยับ ก็มีคนถามว่าคล้ายบ้านจาัดสรรใช่ไหมเขบอกว่าใช่แต่บริเวณเขาไกลกกันมากเขากว้างมากสวยสดงามบรียบก็เดินเข้าไปดูก็เกิดความเพลิดเพลิ น, นว่าปิมาณนี้ปริมาณเฉาจริงๆไม่มีเจ้าของถ้าเป็นเมืองมนุษย์เราจะขายเลยหลังจะเลยเลหลังคงได้หลายสตัตว์จังแต่ว่าที่เป็นนิพานขายไม่ได้อรบันดาท่านพุทธบริษัทออนไลน์ เวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีเสร็จเสร็จก็ขอบันดาสาวก่าะ อ, องค์สมเด็จพระบรมโลรสาธิยเอาธรรมะเป็นเครื่องประจําใจไปใช้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งว่าความดีเบื้องต้นของคนก็คือสินห้าปุกคนจรลมัตตระวังสินห้าค็หนึ่งไม่ท่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกรรมสี่ไม่พูดสาร ว, วาสห้าไม่ดื่มโซราและมไร ถ้า ห, ห้าราการนี้ถ้าทำได้บรรดาท่พษษษษษษุทธบริษัทจะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างมากราะการไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่มีใจไม่ร้ายไม่โหดร้ายอย่างนี้มีห น, น้าตายินมแย้มแจ่มใสมีเมตตาปณีไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไปเสน่ห์การไม่ลักไว้กมยของเขาทุกคนก็นไว้วางใจ มีเพื่อนมากหรือต้องมีคนต้องการครบหาสมาคมจะไปพักที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่อดเขาเขารักนี่จะเป็นตความสุขใจกายไม่ได้เมื่อสามีปัญญาเขาบางคอื่นอันนี้เป็นเส้นสบายใจอย่างหนึ่งเพราะไปที่ไว้วางใจแล้วคนไม่ทําลายความรักกันก็ไปส เ, นเปนสเนเ่ห์ไปเสน่ห์เกิดความรัก การพูดตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมอันนี้มีความสำคัญมากบันดาจะพุทธบริษัทรักษาให้ดีเป็นเนมหาศาลต่อมาข้อสุดท้ายที่พวกเราไม่ดื่มสุราบานไม่ทงสติสรรมจัญะให้เสี่งจะเป็นของดีมากทุกอย่างห้าริการนี้ทำได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใดๆที่มีอยู่แล้วในโลกทิปใา้หมด้ก่อน ถ้าปฏิบัติตามสิหะาจะองสนิทปชินวอนตัดไปแล้วมีบรรดาท่านทั้งหลายเขาถือว่าเป็นศีลลานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานบทสําคัญทาให้ท่านหลายมีความสุขท่านชาตินราชานาเวลาหมดแล้วบรรดาท่นาทนพุทธไวสัตย์ขอขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลส ม, ม, มบูรณ์คุนคนย ong มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี